วันนี้ก็มีหลายคนนะที่จะกลับบ้านอีกไม่กี่ชั่วโมงนะก็จะถึงบ้านละเมื่อถึงบ้านก็ให้แน่ใจนะว่าไม่ใช่แค่ตัวถึงบ้านอย่างเดียวนะใจก็ถึงบ้านด้วยหลายคนนะตัวถึงบ้านแล้วแต่ใจยังไม่ถึงบ้านเลย ไม่รู้อยู่ที่ไหนนะใจอยู่บ้านอตัวอยู่บ้านแต่ใจอาจจะอยู่วัดหรือบางทีหนักกว่านั้นนะไม่ได้อยู่บ้านหรือว่าอยู่วัดแต่ใจเนี่ยอยู่ในคุกนะอตัวอยู่บ้านเน่ยใจอยู่คุกนะต้องระวังคุกที่ว่าเนี่คือคุกที่ชื่อว่าอดีตใจเนี่ยไปหลงติดอยู่กับอดีตอันนี้หนักเลยนะ ต้องให้ใจเนี่ยอยู่บ้านด้วยไม่ใช่แค่ตัวอยู่บ้านบ้านที่เราอยู่ข้างหน้าเนี่ยนะมันเป็นบ้านที่ก่อดิบอิสร้างดิปูนอันนี้ขอยรู้ว่าเป็นบ้านของกายส่วนบ้านของใจเนี่ยมันไม่ได้สร้างดิบอิฐ ก, ก่อดิปูนนะมันคือปัจจุบันใจอยู่ปัจจุบันเมื่อไหรก็ถือว่า อยู่บ้านแล้วหรือว่าถึงบ้านแล้วให้บ้านที่รออยู่ข้างหน้าเนี่ยที่กรุงเทพก็ดีเชียงใหม่ก็ดีนะมันเป็นบ้านของกายนะแต่ว่าไม่ใช่เป็นบ้านของใจนะบ้านของใจคือปัจจุบันบางทีก็เรียกว่าที่นี่เดี๋ยวนี้นะ here and now แต่ว่า คนส่วนใหญ่เนะี่ยใจเนี่ยไม่ได้อยู่บ้านไม่ได้อยู่กับปัจจุบันนะอยู่กับอดีตไม่ใช่แค่เพื่อระลึกนึกถึงอดีตนะแต่ว่าจมอยู่กับอดีตอาจจะเป็นอดีตที่สวยงามวันวันหวา น, วนชื่นหรือว่าอดีตที่เจ็บปวดวันคืนใ น, นคืนขมแล้วก็จมอยู่ในนั้นแหละบางทีอาจจะ เพราะมีความผิดพลาดในอดีตเพราะมีความสูญเสียที่สําคัญในอดีตหรือเพราะความหลงไหลเพลิดเพลินในสิ่งที่มันเคยทําความสุขให้กับเราให้เราเรียกว่านั่นนะนะคือคุกแล้วนะมันไม่ใช่บ้านของใจแล้วประเด็ในคุกนี่นะมันก็จะมีขายใหญ่นะอยู่ในคุกเนี่ย นอกจากจะไม่มีสระและ้วอยู่ในที่ที่คับแคบแล้วไม่สะดวกสบายแถมมันเจอขายใหญ่ที่อาจจะคอยมาทําร้ายเราในคุกคที่เชว่าดีเนี่ยขายใหญ่คืออะไรนะคือความโศกเศร้าความโกรธความรู้สึกผิดไอ้เนี่ยขายใหญ่เพราะนั้นเนี่ยพอไปจมอยู่กับดีนะก็จะลงท้ายหรือลงเอยด้วยความเจ็บปวดความทุกข์ ถ้ารักตัวเองนะต้องรู้จักนะพาตัวเองออกจากคุกนะซึ่งมันก็ไม่ได้ยากอะไรเพียงแต่มีสตินะกับมารู้สึกตัวถอนจิตออกจากอดีตกลับมาอยู่กับปัจจุบันนะอย่างที่บอกตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นตัวอยู่วัดใจก็อยู่วัดไม่ใช่ว่าตอนนี้ตัวอยู่วัดใจในีไปอยู่บ้านแล้วนูน อันนั้นไม่ใช่บ้านแล้วนะอาจจะเป็นคุกอีกแบบหนึ่งเป็นคุกที่ชื่อว่าอนาคตก็ได้นะอนาคนนี่ก็เป็นคุกได้เหมือนกันนะคือภาพปรุงแต่งเกี่ยวกับอนาคตซึ่งส่วนใหญ่ก็วาดเอาไว้ในทางลบทางร้ายปุงแต่งว่าเนี่ยจะต้องไปเจออะไรที่บ้าน แล้วก็เกิดความหนักอกหนักใจกับปัญหาคนในบ้านหรือว่างานการที่คอยอยู่เกิดความเครียดความวิตกกังวลขึ้นมาในคุ่มที่ชววาอนาคนนี้ก็มีขายใหญ่เหมือนกันที่คอยทำร้ายเรานะความเครียดความวิตกกังวลความกลัดกลุ่มใจความกลัวทั้งที่ ถ้าอยู่กับปัจจุบันน่ยตรงนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีอะไรที่จะต้องเครียดจะต้องวิตกกังวลแล้วก็มีอะไรที่ต้องเศร้านะที่หวาดกลัวหรือว่าซับหรือว่าขับแค้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเมื่อกลับไปถึงบ้านแล้วเนี่ยก็อย่าให้แค่ตัวถึงบ้านนะใจก็ถึงบ้านด้วยก็คืออยู่กับปัจจุบัน ทจริงตั้งแต่เริ่มต้นออกจากวัดเนี่ยนะกลับบ้านนี่ก็ต้องรู้จักหาบ้านให้ใจได้แล้วนะตัวอยู่บนรถนะลองให้ใจอยู่บนรถด้วยเหมือนกันลองสังเกตดูนะวิธีที่จะทําให้ใจเนี่ยกลับมาอยู่บ้านคือปัจจุบันเนี่ยง่ายๆคือว่าลองมาสังเกตว่าตอนนี้รู้สึกอย่างไรยขณะที่เรา นั่งอยู่ในรถไม่ใช่ปล่อยใจลอยไปกับความคิดต่างๆหรือว่าปล่อยใจลอยไปตามไปกับทัศนศน์เนภาพสองข้างทางบางทีใจก็ลอยไปถึงศูนย์อาหารกลางทางเนี่ยโลตัสใจนึกไปงโลตัสเนี่ยจะไปกินอะไรบ้างเนี่ย ของโปรดอยู่วัเนี่อาหารนี่มันไม่ถูกปากเลยกลางทางนี่แหละนะจตุรัสด่านคุณทศหรือว่าสระ บ, บุรีเนี่ยโอยร้านโปรดรออยู่ศูนย์อาหารรออยู่ที่โรตัสเนี่ยกว่าที่หมดเลยนะนี่ก็ดูเหมือนก็น่าพอใจนะแต่ก็เป็นคุกอยู่แบบหนึ่งนะก็ธรรมาจิตใจมันจะลอยไปถึง สถานที่เหล่านั้นนะแต่ให้ให้มันรู้ทันมั่งหรือว่าไม่ใช่แค่ความคิดนะเกี่ยวกับสิ่งที่จะไปเจอข้างหน้านแะต่รวมถึงความรู้สึกด้วยอารมณ์อาจจะเป็นความยินดีที่ได้กลับบ้านความดีใจที่ได้พบลูกพบคนรักพบพ่อแม่ หรือความเครียดเนี่ยที่ต้องไปเจอกับปัญหาหรือความวิตกกังวลนะความหงุดหงิดที่รถติดเดี๋ยวพอเมื่อใกล้ถึงกรุงเทพเนี่ยให้เราสังเกตมาสังเกต ด, ดูวความรู้สึกของเราเรียว่าดูใจกลับมาถามว่าตอนนี้รู้สึกอย่างไรรู้สึกอย่างไรใหม่ๆ ม, มันก็ต้องใช้วิธีนี้ น, นะแต่อย่าไปถึงกับอย่าไปถึงขั้นจ้องนะไ ม, ไม่ต้องถึงกับจ้อง ในขณะที่เราเดินทางใจมันลอยคิดไปนโน้ตคิดไป น, นี่ฉุกคิดขึ้นมาสักหน่อยว่าตอนนี้รู้สึกยังไงทาํำบ่อยๆมันจะช่วยทําให้เราเนี่ยหันมาสังเกตจิตใจของเราความคิดและอารมณ์ความรู้สึกได้บ่อยขึ้นถึงเวลาทุกข์มันก็จะหลุดจากทุกข์ได้ง่ายถึงเวลาเศร้าก็จะหลุดจากความเศร้าได้ง่ายหรือพูดง่ายคือถึงเวลาที่มันเผลอติดคุกก็จะออกจากคุกได้ง่าย คุกที่ชื่อว่าอาดีตหรือคุกที่ชื่อว่าอนาคตตามก็มีอยู่กับปัจจุบันซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องรู้ทันความคิดและอารมณ์ความรู้สึกเพราะว่าความคิดและอารมณ์ความรู้สึกมันก็เป็นคุกแบบหนึ่งคุกที่ขังใจเราไว้ต้องรู้จกถอนจิตออกมานะจากคุกเหล่านี้ซึ่งส่วนใหญ่มันก็มักมจะเกิดขึ้นเมื่อใจเราไหลไปสู่อดีตมันจึงมันจึงมีคุกหลายชั้นนะคุกที่ชื่อว่าอาดีตคุกที่ชื่อว่าความคิดอารมณ์ ความโกรธความโศกความเศร้าความคิดลบพวกนี้ไม่ใช่ว่าตอนอยู่วัดเนี่ยปฏิบัติกันจริงจังแต่พอออกจากวัดก็ปล่อยใจลอยปล่อยตั้งแต่ยังไม่ทันจอด ก, กับวัดเลยนะตั้งแต่เมื่อเช้านี้แล้วไปแล้วเนี่ยตัวยังไม่ถึงบ้านเลยนะใจติดคุกเรียบร้อยไปแล้วก็เนะให้เราเอาสิ่งที่ได้เรียนรู้ ม, มาเนี่ยไปปฏิบัติไม่ต้อง จำกัดสถานที่ว่าต้องมาวัดเข้าคอร์สก่อนึงจถึงจะปฏิบัติได้เพราะว่าบ้านของใจเป็นสิ่งที่จำเป็นที่ราต้องนะหามาให้ได้เพื่อเกิดความอบอุ่นความโปร่งโลงความสงบความเบาสบายและความอิสระ